นอบน้อมต่อคุณพระรัตนตรยัยอันเป็นที่พึ่งที่เคารพที่สูงสุดของพวกเราชาวพุทธขอกรบพระอาจารย์ทรงศิล์เพกกื่อนสาธรรมิกทุกท่านจเจริญธรรมไม่ชีและญาติธรรมทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันขึ้นปีใหม่เนาะ <c oughs> ของไทยนะวันที่13บสามเมษายนสองพันห้า้อยห้าสิบห้า วันึืนปีใหม่นี่จริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นวันที่ถ้าเป็นถ้าพูดถึงคนจีนนะเขาจะเป็นวันที่อย่างถ้าเป็นวันตรุษจีนเนี่ยกขาจะเป็นวันที่ต้องทำความดีไม่ไปทำสิ่งที่แบบอาจจะทำให้เป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อไปในเะช่น <c oughs> จับไม่กวาต่างๆเนี่ยจับไม่กวาแล้วเป็นสิ่งไม่ดีนะเขาถือประเพณีเรื่องอย่างแล้วก็พูดดีกันเนะวรอยพนให้สีให้พรกันนะ เพื่อที่จะติดตัวไปตลอดปนะีเพราะนั้นจริงๆแล้วเราก็ทำในสิ่งนั้นนะหรือจะไวพร์ก็ได้ไวพอร์เนี่ยให้คนอื่นเขาดีก็ได้นะวันเนี้ยพอเป็นวันที่เปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตจริงๆแล้วก็ตามที่ปฏิทินเก่าๆเช่นบอกว่าปีนี้ <c oughs> เป็นปีมะโรงก็น่าจะเริ่มต้นในวันนี้นะเพราะถือเป็นวันปีใหม่ไทยนะ เราก็ถือว่าเริ่มต้นชีวิตใหม่ <c oughs> ในวันนี้นะสิ่งดีๆก็เราต้องทำสิ่งไม่ดีเราก็ละออกไปนะจริงๆแล้วปีนี้ที่ได้ฟังข่าวมาหลายๆข่าวว่าปีนี้มันก็จะเป็นปีแห่งภัยพิบัติหลายๆอย่างมีคำทํานายต่างๆมากมายนะหรือแม้แต่ครูบาอาจารย์ท่านก็เตือนฟังมาตลอด <c oughs> จนก็ต้องมีหนังเสือมาเป็นเล่มๆ เ, เลยนะั่นถึงเรื่องภัยวิบัติที่จะเกิดขึ้นตามมาภายในปีนี้ <c oughs> ซึ่งเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากนะถ้าเคยใครเคยศึกษาในตรงนี้เนะี่เป็นความประมาทไม่ได้เลยถึงกับความเป็นหายนะของโลกจะตายไปถึงประมาณไม่ไม่ต่ำกว่าครึ่งหนึ่งของโลกทั้งหมดนะแต่ครูบาอาจารย์ท่านก็บอกว่า ผู้ที่มีศีลมีธรรมนะก็จะเหลือรอดอยู่ <c oughs> ส่วนผู้ที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมก็จะลมหายตายจากไปนะเป็นจานวนมากน ะ, ละหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ยุคใหม่นะผู้มีศีลมีธรรมก็สามารถที่จะอยู่ได้นะแล้วก็มีความสุขนะอันนี้เราจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่เราประมาณไม่ได้ว่าภัยพิบัติจะมีไหมนะ พรสิ่งต่างๆนั้นไม่แน่ไม่นอนเป็นเรื่องที่มันไม่เที่ยงแล้วเราก็ประมาทไม่ได้ด้วยนะเพราะว่าครูบาอาจารย์ก็เตือนมาแบบนั้นแต่สิ่งทีเราต้องทําก็คือว่าในปัจจุบันนี้เราทําอย่างไรนะที่จะให้เกิดในสิ่งนี้ว่าเมื่อเราไม่ประมาทแล้วเราจะทำอย่างไรกับชีวิตที่เหลืออยู่ไม่ว่าจะเหลือนานสักเท่าไหร่นะอาจจะเหลือแค่ไม่กี่ปเีเหลือแค่ปีนี้ก็ไดนะ้เราต้องทำในสิ่งใดนะ สิ่งนั้นก็หมายความว่าถ้าหากว่าเรายังมีกิเลสในใจเราอยู่แม้แต่เพียงเล็กเพียงน้อยเนี่ยการที่เราต้องไปเกิดในภพภูมิใหม่ก็เป็นสิ่งที่แน่นอนน ะ, นะถ้าเราเข้าใจตรงนี้ปั๊บเนี่ยเราจะไม่ประมาทจริงๆนะแต่ถ้าเราประมาทว่าเออเรายังเป็นหนุ่มเนุ่สาวนะหรือว่าชาติหน้าไม่มีนะก็ เ, เรียกว่าประมาทแล้วเนี่ยเราก็ไม่ทำสิ่งที่มันควรทำนะ ชีวิตเรานี้น้อยจริงๆนะมันก็น้ำค้างที่หยดเป็นยอดย่าเนะ่ยแสงทิ้งขึ้นมาก็หายไปนะสิ่งที่เรามีอยู่เพียงเล็กน้อยเราจะไปทำอะไรดีนะคราวนี้สมมุติเราจะเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยถ้าเราไม่มีเงินนะไม่มีเบียงโอ้เราก็ลำบากมากนะมันต้องไ่เวียนว่ายเยอะแยะเนี่ยเราจะมีความทุกข์นะเพราะไม่มีสเสบียงกลางเราก็มาสร้างในที่นี้ให้เต็มที่นะ การสร้างนี่ก็หมายควเราต้องสร้างสิ่งที่ดีๆสิ่งไม่ดีก็อย่าไปสร้างเขานะสิ่งที่เราสร้างก็คือทานศีลภาวนา น, นี่แหละมันได้พ้นทุกไปได้นะถ้าเรารู้จักตรงนี้แล้วเนี่ยเราไม่ไม่กลัวความตายนะความตายมาพรุ่งนี้เราก็ไม่กลัวเพราะเรามีสิ่งเหล่านี้ครบแล้วเนี่ยมันเป็นเป็นสิ่งที่ว่าทําให้เราเนี่ยทุกไม่ได้เลยนะมันเหมือนกับดักแด้ดักแด้ <c oughs> ดแดเนี่ยตอนที่ จะเปลี่ยนรากเป็นผีเสื้อเนี่ยมันยังงเอ้มันจะเป็นอะไรของมันกันแน่นะมันก็นึกมันตายไปนะแต่พอมันกลับเป็นผีเสื้อปั๊บมันก็รู้สึกมันเกิดใหม่แล้วมันก็บินไปไหนมาไหนได้ยังมีความสุขนะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่กลัวความตายนะคือเราสายมาพจนความตายด้วยความสง่างามแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าความตายเนี่ยเป็นสิ่งแค่เปลี่ยนเท่านั้นเองเปลี่ยนมันก็เราเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนบ้านใหม่นะ จากบ้านกระตอ๊อบแล้วก็ไปอยู่บ้านตึกนะอยู่บ้านโอ้สวยงามใช่ไหนี่เราเป็นความสุขที่เราจะได้รับนะความสุขนี้ก็เกิดจากเราต้องทาในปัจจุบันนี้ให้ดีนะทำสิ่งดีๆแล้วเราก็จะได้สิ่งนั้นคร <c oughs> าวนี้ <c oughs> ความทุกข์ที่เกิดขึ้นนี้นะบางทีเราศึกษาพุทธศาสนาต้องเยอะโอ้มีความทุกข์ยิ่งยังพระเชา้าเราก็สวดมนต์ร <c> ม <oughs> ชาเช้าเนี่ย ทุกมีมากมายเลยนะแต่โดยสรุปแล้วก็มีอยู่เพียงสองอย่างเท่านั้นก็คือความทุกข์กายและทุกข์ใจทุกข์กายนี่เราก็เราก็เห็นอยู่แล้วนะเมื่อเราเกิดมาแล้วก็มีความแก่ความเจ็บความตายไปธรรมดาไม่มีใครหนีพ้นได้หรอกอันนี้เขาเรียกว่าทุกประจําสังขาร น, นะส่วนทุกที่จรมา <c oughs> ก็มีนะ่ยความหนาว อ่ความหิวความง่วงนะความปวดความเมื่อย <c oughs> อาการเหล่านี้เป็นสิ่งที่จอยมาชั่วคราวนะจอยมาแล้วก็ดับไปเพราะเราไปแก้ทุกตรงนี้ได้ <c oughs> นะแต่ทุกประจําสังขาร น, นะเราแก้ไม่ได้หรอกนะมันเป็นสิ่งที่ต้องเกิดแน่นอนนะไม่มีใครหนีพ้นนะความแก่ความเจ็บความตายสิ่งเหล่านี้ไม่มีใครหนีพ้นนะ เมื่อเราประสบทุกทางกายแล้วเนี่ยเราอยากความทุกทางใจเกิดขึ้นนะแต่ส่วนมากนะพอประสบทุกทางกายเราก็ปล่อยทุกทางใจเกิดขึ้นมาด้วยนะเป็นทุกซ้ำสองเลยนะเป็นทุกซ้ำสองที่เราจะต้องทนทุกหนักขึ้นไปอีกคราวนี้ทุกทางใจเนี่ยสามารถแก้ได้นะอทุกทางกายเราแก้ไม่ได้ก็จริงนะแต่ทุกทางใจเราสามารถแก้ได้เพราะเหตุอะไรนะ เพราะทุกทางใจนี่มันเปรียบเสมือนกับว่ า, ายกตัวอย่างเช่นผู้ที่สามารถที่จะออกจากความทุกข์ได้จริงๆแล้วเนี่ยเช่นพระรยาเจ้ า, าตั้งแต่พระโสดาบันจนถึงพระลหันเป็นต้นเนี่ยท่านจะมีแต่ความทุกข์ทางกายเท่านั้นส่วนทางใจเนี่ยท่านไม่มีนะความที่ไม่มีทางทุกข์ทางใจนี่แหละเป็นหนทางที่พ้นทุกข์ที่แท้จริงนะเพราะบางทีถ้าเราคิดว่า ใจิตใจไม่สําคัญขอให้เราทุกทางกายเราน้อยลงก็ใช้ได้แล้วเมื่อคนคิดแบบนี้นะก็ไม่คิดที่จะหาทางออกจากความทุกทางใจนะมีความหิวก็ไปรับประทานนะอยากจะเที่ยวก็ไปเที่ยวอยากจะทําอะไรก็ไปทำํำนะอันนี้เป็นการตามใจสนองอกินเลสในใจเรานะเมื่อเราสนองไปปุ๊บเนี่ยเราจะไม่เห็นทุกในตรงนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในฆราวาสเนี่ยจะไม่เห็นทุกจริงๆ แต่การที่เรามาบวชเป็นนักบวชหรืออยู่ในป่าในเขาหรือมาปฏิบัติธรรมกันตรงนี้จริงๆแล้วก็ไม่ได้สนองความที่เราจะสลองในทันทีนะอยากจะทานอะไรที่เราชอบก็ไม่ได้ อ, อยากจะทำอะไรที่เราเคยทำก็ทำไม่ได้แล้วจริงๆการมาบวชเนี่ยไม่ได้มาบวชเพื่อที่จะให้มีความสุขความสบายแต่มาเป็นการศึกษาตัวเราเองนะเป็นการ อยู่ในสถานที่ที่สามารถที่จะศึกษาตัวเราเองได้นะเพราะเรามาฝึกตัวฝึกตนนะแต่ถ้าเรามาแล้วมีความสุขที่จะสนองกินอะไรแล้วทุกอย่างนะอยากจกะทำอะไรก็ได้ทำอยากจะกินอะไรก็ได้กินอยากจะทำไปเที่ยวนะไปคุยนะ <c oughs> เราก็ทำได้ทุกอย่างอันนั้นอนะ่ะมันจะไม่เห็นความทุกข์ในตรงนี้นะมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะแต่ถ้าเราเข้าใจตรงนี้ปั๊บเออเรามาเพื่อที่จะเห็นความทุกข์เนาะ ความทุกข์นั้นจริงๆแล้วมันไม่ใช่ความทุกข์เลยหรอกแค่เป็นตัณหาที่มันเรียกร้องเท่านั้นเองนะพอเราไปตามใจตัณหาปุ๊บเราก็ไม่เห็นความทุกข์แต่ถ้าเราไม่ทําตามที่เขาเรียกร้องเราจะเริ่มเห็นความทุกข์ทันทะีเห็นความทุกข์ชัดขึ้นเรื่อยๆเอ อ, อยากจะไปข้างนอกเราก็ไม่ต้องไปนะอยากจะทําอะไรก็ไม่ต้องพักผ่อนดีกว่านะเมื่อยง่วงพักผ่อนเราก็ทําตามเขาเราก็ไม่เห็นความทุกข์อีกนะ มันต้องเห็นความทุกข์ในสิ่งเหล่านะี้สั่งสิ่งเหล่านี้นะเห็นได้ชัดๆเลยแล้วเราจะรู้เออความทุกข์มันเกิดขึ้นจริงๆนะครั้งนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าเขาทรงตัดว่าทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกนั้นตั้งอยู่แล้วทุกข์เท่านั้น ด, ดับไปนะเพราะฉะนั้นเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ต้องดับไปได้นะเราก็ดับไปถาวรด้วยไม่ให้ดับไปชั่วคราวนะพอพระเยซูเจ้านั้นท่านดับถาวรเลยแต่ทํำไมเราดับแค่ชั่วคราวเท่านั้นนะ ก็เพราะว่าเรายังทําไม่ถึงที่สุดแห่งทุกนั่นเองนะทำให้ถึงที่สุดแห่งทุกนี้เลยชาตินี้มันสั้นๆเนี่ยถ้าเทียบกับเวลาในจักรวาล น, นะโอ้มันยาวแต่การเกิดขึ้นมาของเราเนี่ยตีเท่ากับปัจจุบันนี้ก็ไม่เกิน100ปีเนี่ยก็แค่แวบเดียวมนัแสงฟ้าแลบแป๊บเดียวก็ดับไปแล้วนะเราก็ใช้เวลาในช่วงสั้นๆนี่แหละแสงฟ้าแลบแป๊บเดียวนี่แหละซึ่งมันประมาณสักร0อปีไม่เกินนะ มาทำไม่เต็มที่ไปเลยนะอย่างในน้อยก็ให้ได้พระโสดาบันก็ดีนะบางคนบอกว่าเออเรารวยแล้วนะเมื่อเรารวยแล้วเราก็ต้องใช้ชีวิตให้มีความสุขให้เต็มที่เที่ยวให้เต็มที่ดื่มให้เต็มที่กินให้เต็มที่อันนี้เขาเรียกว่าคนที่เหมือนกับอยู่เป็นหนอนนะเป็นหนอนเนี่ยอยู่ในอุจระแต่ไม่เห็นความทุกข์ก็ยังกินอุจระไปเรื่อยๆนะแต่คนที่รวยก็จริงนะมีความรู้ต่างๆ จบปริญญาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนะเป็นด็อกเตอร์เป็นหมอหลายๆคนตัดสินใจมาบวชบวดไม่บวชเล่นๆบวชตลอดชีวิตเลยนะจากผู้ที่มีฐานะดีแต่ก็มาเป็นผู้ยากจนไม่มีเงินไม่มีทองนะมาใช้ชีวิตอย่างนี้นั่นแหละเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขามองเห็นแล้วว่ามันไม่มีหนทางอะไรเลยที่จะหลุดพ้นไปจากการเวียนว่ายในวัตถงสารนี้ นอกจากทำกิเลสในใจให้หมดสิ้นไปโดยสิ้นเชิงนะต้องมาปฏิบัติให้เต็มที่สิ่งต่างๆนั้นมันเป็นแค่ความสุขชั่วคราวเท่านั้นเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าทรงตัดว่าโลกนี้เปรียบเสมือนราชรถวิิจิตที่คนเค้าหมกอยู่แต่ผู้รู้หาหมกอยู่ไมนะ่โลกนี้มันสวยงามจริงๆนะมันก็น่าติดน่าเพลินอย่างที่ว่า วันนี้ความเพลินมันก็มาในรูปแบ บ, แ บ, บ, แ บ, บต่างๆมากมายนะโดยพอใครที่มีอินเทอร์เน็ตมีคอมพิวเตอร์เนี่ยโอ้วันๆนไม่ต้องทำอะไรแล้วอยู่กับหน้าคอมพิวเตอร์ทั้งวันไม่ต้องรู้จักกับใครเลยมันก็เพลินเป็นอารมณ์ต่างๆนะความเพลินนั้นทําเราหมอกอยู่นะหมกอยู่จริงๆแล้วเราก็จากสิ่งเหล่านั้นไม่ได้นะแต่ถ้าคนที่มีปัญญาแล้วก็จะเห็นว่าเออพวกนี้นะมันไม่มีสาระอะไรทั้งสิ้นเลย มันจะเพลินมันจะสุกขนาดไหนมันก็แค่ชั่วคราวนะเราเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยมาทำสิ่งที่มีประโยชน์ดีกว่าก็คือทำในใจของเราเนี่ยให้กิเลสมันหมดสิ้นไปนะมันจะเราเจอความทุกข์จริงๆสักทีหนึ่งนะคราวนี้ในะกิเลสในใจเราก็มีอยู่เยอะแยะเลยความโลภความโกรธความหลงนี่เป็นมูลฐานของกิเลสในใจของเราเป็นต้นเหตุใหญ่นะความโลภมันก็แตกสาขาไปเยอะแยะนะ ความโลภก็แตกเป็นความยินดีความพอใจความรักเป็นความหลงในสิ่งต่างๆไปอารมณ์พอใจทั้งหลายแหละเาเน้นนั่นแหละอยู่ในตระกูลของความโลภส่วนความโกรธเมื่อแตกสาขาไปเป็นอีกเยอะแยะเป็นความไม่พอใจความหงุดหงิดความขัดเคืองความน้อยใจ ความเกลียดความกลัวความเหงาความเครียดความชังอารมณ์ที่ไม่พอใจทั้งหลายแหล่นี่ก็เป็นตระกูลมาจากความโกรธความหลงนะจริงๆแล้วถ้าคนเราไม่หลงมันก็ไม่ไปโกรธไม่ไปไม่ไปชังไม่เป็นระักไม่พอใจนะทั้งหลายแหล่หรอกแต่เพราะเราหลงไปเองนะหลงยังไรนะ หลงไม่รู้ว่าขณะนี้เรากาลังทําอะไรอยู่นั่งก็ไม่รู้นะกำลังนั่งนนอนก็ไม่รู้กําลังนอนเดินก็ไม่รู้กําลังเดินคิดก็ไม่รู้ว่ากําลังคิดนะรักก็ไม่รู้กําลังรักชังก็ไม่รู้กําลังชังมันก็เลยหลงไปนะพาหลงไปแล้วก็ไม่รู้ว่าขณะนี้เรากำลังเป็นอะไรนะไม่รู้แม้แต่ขนาดเรื่องเราเป็นพระหรือเป็นโยมเป็นชีเป็นผู้ชายผู้หญิงก็ไม่รู้ทั้งนั้นนะเมื่อหลงไปแล้วมันก็ไม่ค่อยรู้อะไรความที่เราไม่รู้มันมีเยอะนะ วันๆเราคิดทั้งวันเราก็ไม่รู้มันก็หลงไปในอารมณ์ยินดีมั่งยินไายมั่งอเข้ามาด่าเราเราไม่รู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นเราก็ไปหลงเกลียดเขาหลงชังเขาเข้ามาชมเราไม่รู้ทันอารมณ์ก็ไปหลงรักเขาหลงชอบเขามันหลงทั้งวันนะเนี่ยพอมันลงแล้วมันก็เกิดความยินดียินไล่ตามมันนั่นเองเมื่อมันลงแล้วก็เกิดโทสะตามมาอ่ เกิดความพอใจตามมาก็คือเกิดโลภะเกิดโทสะตามมานั่นเอง ม, มาจากความหลงทั้งนั้นเพราะฉะนั้นความหลงก็ต้องรู้ให้เท่าทันแล้วการที่เราจะรู้เท่าทันความหลงได้อย่างไรก็เกิดจากการที่เรามีสตินั่นแหละสติมันเป็นยอดที่สุดในโลกเลยหลวงพ่อชาท่านเป็นสิทธิหลวงปู่มัน่นปูริทัตโตมีลูกศิษย์ลูกหามากมายทั่วประเทศและต่างประเทศตอนนี้สาขาว่าหลวงพ่อชาเนีสร้างไปในรอบๆโ ล, ลกเลยนะ ยูโรอเมริกาออสเตรเลียเดอยะในเมืองไทยก็เป็นร้อยๆสาขาหลวงมชาบอกว่าเราต้องรู้การยืนเกินการเดินการนั่งการนอนสมาธิเราไม่เอามากหรอกแต่สติจะต้องมีตลอดเวลาหลวงตามหาบัวบอกว่าผู้ที่มีสติอยู่ชื่อว่าเป็นผู้ที่ภาวนาอยู่รครูบาอาจารย์ทุดองจะเนนเรื่องสติทั้งนั้นนะ นะสติเป็นเหตุที่เกิดสมาธิถ้าใครไม่มีสติก็ไม่มีสมาธิถ้าเป็นสมาธิก็เป็นมิจฉาสมาธิคือสมาธิที่ไม่รู้เรื่อง <c oughs> ไม่รู้ตัวหลงหลงลึงลืมนะเป็นสมาธิหัวต่อแต่ถ้ามีสติแล้วสมาธิก็ตั้งมั่นเขาเรียกเป็นสัมมาสมาธิเนี่ยนะเพราะนั่งสตินี่มันยอดเยี่ยมที่สุดในโลกแล้วนะการมีสติหมายความว่าอะไรสติก็คือความระลึกได้รนะะลึกได้ว่ายอย่างไร เราลึกได้ว่าขณะนี้กาลังทําอะไรอยู่นะกำลังคิดกําลังนั่งกำลังนอนกําลังเดินกําลังดื่มกาลังพูดกาลังคิดกําลังทําอะไรรู้เท่าทันทุกอย่างเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์นะท่านบอกว่าไม่ต้องนั่งเก่งไม่ต้องเดินเก่งหรอกแต่ให้มีสติที่สมบูรณ์ตลอดเวลานะก็หมายความว่าเราไม่ต้องมาทําอะไรซ้ำซ้ำักซาก ตลอดเวลาแต่ในทุกๆอิเลยบทของเราไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนดื่มกินพูดคิดคู้แขนเหยียดแขนทรงสั ง, สงคาติจีบอล น, นะทำอะไรก็ได้ทั้งวันแต่ให้มีตัวรู้อยู่รู้ในกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกในใจคิดนึกก็รู้สึกแค่นี้เองก็เป็นสติแล้วนะเพราะสติก็คือความที่เราระลึกได้ระลึกรู้ไปในอาการต่างๆนั่นเองนะ ยิ่งเราเริ่มได้บ่อยๆสติก็ยิ่งโตขึ้นเรื่อยๆนะหลวงพ่เทียนท่านถึงบอกว่ายิ่งคิดก็ยิ่งรู้เพราะฉะนั้นคําว่ายิ่งคิดก็ยิ่งรู้ก็คือยิ่งหลงก็ยิ่งรู้นั่นเองน ะ, ะเราไม่ต้องไปประคองให้มันรู้ตลอดหรอกแต่เราสามารถที่จะรู้แล้วก็หลงรู้แล้วก็หลงได้อีกครั้งหนึ่งน ะ, ะการรู้แล้วก็หลงนี่แหละเหมือนที่ว่าให้รู้ตอน น, นลุกโซเพราะคำว่าลุกโซก็คือรู้เป็นครั้งครั้ง รู้เป็นขณะขณะรู้เป็นไข่ปลารู้เป็นจุดจุดเราไม่ได้ไปคลองตัวรู้ <c oughs> แต่รู้แล้วก็หลงหลงแล้วก็กลับมารู้ใหม่เนี่ยสติจะได้โตขึ้นมาในตรงนี้นะมันจะได้ระลึกได้ไวขึ้นเออขณะนี้กำลังคิดแล้วนะขณะนี้กาลังหลงมาแล้วนะ อ, อขณะนี้มีลมเกิดขึ้นแล้วนะ อ, อมันรู้แล้วก็หลงนี่แหละมันสนุกดีนะไม่ต้องไปคล้องตัวรู้อะไรรู้แล้วหลงเนี่ย จะโตเร็วสติจะโตเร็วเพราะมันเป็นการพัฒนาไปตามธรรมชาติที่เราไม่ได้ไปบังคับเขี่ยวเข็นเขาเพราะคนเรานี่มันจะหลงอยู่แล้วนะมันไม่ใช่ไม่หลงหรอกแต่มันหลงนานนะหลงไปคิดเรื่องนู้เรื่องนี้สิบครั้ง20ิครั้งหลายหลายสนาทีจริงจะกลับมารู้สึกตัวแต่เมื่อเรามีสติตามรู้กายตามรู้ใจมันก็หลงไม่นานก็กลับมารู้ได้เร็วขึ้นเรื่อยๆ อ, อย่างที่คําพูดที่ว่า ดูกายเห็นจิตดูคิดเห็นธรรมนั่นเองเมื่อเราสามารถตามรู้กายในการขึ้นไหวเราก็จะเห็นจิตนะเห็นจิตชัดเจนเลยโดยเราไมไ่ไปเพ่งอะไรเขาเลยไม่ไไคอยเพง่งแต่เมื่อเรารู้กายแล้วเรากำมารู้จิตได้เองเ อ, อเมื่อรู้จิตแล้วก็สามารถเห็นธรรมคาว่าเห็นธรรมก็หมายความว่าเรารู้สภาวะนะความคิดนึกที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป การที่เราเห็นสภาวะที่มันเกิดและดับนี่แหละเขาเรียกว่าเห็นธรรมเพราะการเห็นสภาพที่เกิดและดับเป็นบิปัสสนาญาณคือเห็นพระไตรลักษณ์นะพระไตรลักษณ์หมายความว่าเราเห็นสภาวะตามความเป็นจริงของรูปของนามที่เขาเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนะถ้าหากว่าไม่มีพระไตรลักษณ์เข้ามารองรับสิ่งเหล่านั้นก็จะกลายเป็นสมถะไปนะกลายเป็นไปเพ่งไปจ้องมันก็ไม่เห็นสภาวะความเกิดความดับแต่อะไรก็แล้วแต่ที่เราเห็นความเกิด แลความดับในทุกๆอย่างในทางกายหรือว่ารูปในทางใจหรือนามถ้าภาวะเกิดดับของรูปของนามนี่แหละก็คือมีพระไตรักษณรองรับเมื่อมีพระไตรลักษณรองรับผลนิตามมาคืออะไรก็คือเห็นตามความจริงว่าสิ่งเราเนี่ยมันไม่เที่ยงนะอ่ามันเป็นทุกข์อ่ามันบังคับบัญชามันไม่ได้เมื่อบังคับบัญชาไม่ได้ก็จึงไม่ใช่ตัวไม่ตนของเราแต่ถ้าเราบังคับบัญชาเขาได้เนี่ยมันก็เป็นตัวเป็นตนของเรา เมื่อเราเห็นในความจริงเหล่านี้แล้วเนี่ยว่าไม่ใช่ตัวไม่ตนบุคคลเราเขาโดยเพราะเป็นตัวตนของเราแล้วเนี่ยเราจะได้คลายจากความยึดความติดยึดมั่นถือมั่นในรูปในนามนี้ว่าเป็นตัวเป็น ต, น, ต, ตนของเรามันเป็นแค่เรายืมเข้ามาใช้ชั่วคราวเท่านั้นเองนะเรายืมมาจากธรรมชาติของเขาเขาเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟซึ่งประกอบขึ้นมาชั่วคราวแล้วก็อาศัย นะอาหารต่างๆมาบำรุงให้เขาโตขึ้นมานะเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นเอ็นเป็นกระดูกเป็นเลือดเนี่ยเรารับประทานอาหารเข้าไปแล้วไม่ต้องสั่งเอออันนี้ไปเป็นเลือดนะอันนี้ไปเป็นเอ็นนะอันนี้ไป ท, ทํานู่นทํานี่แต่เมื่อลงไปแล้วเขาก็ทําหน้าที่ของเขาเองเราไม่ต้องสั่งกร ะ, ยยย ร, นะ ร, ระเพาะนีมันย่อยอาหารนะเลี้ยงประทาอาหารมันก็ย่อ ย, ยของเขาเองเราไม่บอกเออหายใจนะหายใจเข้าเราต้องหายใจออกนะ เราหายใจเข้ามันก็หายใจออกมันเองเพราะมันทํางานตามหน้าที่ของเขานะเพราะดินน้ําลมไฟหรือสิ่งต่างในร่างกายเราบางคับบัญชาเขาไม่ได้เลยเขาทําหน้าที่ของเขาเองเพราะว่าทำไมชา้าก็เป็นมือนนั้นเขาเกิดจากการที่พ่อแม่เรานะทําให้เกิดขึ้นมาแล้วเราก็ไปยึดเออมันเกิดมาแล้วนะมันทําหน้าที่อของเขาแบบนั้นนั่นแหละจริงๆจิีวิญญาณ เ, เข้าไปมันก็ทําหน้าที่เขาอยู่แล้วไม่ใช่จีวิญญาณเราเข้าไปแล้วเขาต้องทําหน้าที่อย่างนั้น แต่เขาทำหน้าที่ของเขาอยู่แล้วแต่เราก็ไปยึดเออไอ้ร่างกายมันเป็นของเรานะอ่าเป็นของเราเราก็มีความยึดมั่นถือมันมาตลอดเลยตั้งแต่เด็กๆอ่าพรเราเกิดปุ๊บเออมันก็เป็นของเราแล้วแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ของเราตั้งแต่ต้นแล้วละ่ะพ่อแม่เนี่ยทำให้เขาเกิดขึ้นมานะถึงไม่มีจิตวิญญาณแล้วเขาไปมันมีวิญญาณคนไปมันก็ทําหน้าที่เขาอยู่แล้วนั่นละ่ะแต่ว่าเราเข้าไปเราก็ยึดทันทีเลยแล้วเราก็มีความผูกพัน <c oughs> มีความรัก ก็เข้ามาตลอดพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่มีใครที่จะรักตัวเราเองนอกจากตัวเราะมีพระเจ้าประเปรตที่โกศลถามพระนางมริกาว่ารักใครมากสุดในโลกนึกว่าจะรักพระองค์พระนางมาริกาบอกว่ารักตัวเองไม่ได้รักพระองค์มากอันนี้เอพระเจ้าเปรตที่โกศลก็บอกว่าตัวเขาก็รักตัวเขาเองเหมือนกันไปถามพระเจ้าพระพุทธเจ้าบอกถูกแล้ว ทุกคนเนี่ยรักตัวเองนะมากกว่าคนอื่นทั้งหมดเลยเ <c oughs> พราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรารักตัวเองก็หมายความเรายึดมั่นตัวเราเองเนี่ยมากที่สุดในโลกนะอแต่เราไปรักคนอื่นรักลูกรักพอ่อรักแม่รักสามีเราก็เลไปยึดยึดมั่นพ่อแม่ลูกเป็นความผูกพันกับอีกแต่ความผูกพันก็ยังน้อยกว่าเรารักตัวเองเพราะฉะนั้นเมื่อเราสามารถที่จะละความรักในตัวเราเองได้แล้วเนี่ยความยึดมั่นในตัวเองก็จะน้อยลงไปด้วยนะ เขเราเห็นความจริงแล้วว่ามันไม่ใช่ตัวไม่ตนของเราจริงๆเมื่อความยึดมั่นในตัวตนเราน้อยไปแล้วเนี่ยความยึดมั่นกับสิ่งอื่นเช่นพ่อแม่ลูกสามีภรรยามันก็ลดน้อยลงไปด้วยเพราะมันไม่ใช่ของเราแล้วเนี่ยได้ไหมเนี่ยพอความยึดมั่นน้อยเนี่ยเขาเรียกว่าเมื่ออุปทานน้อยลงตัดดับไปแล้วเนี่ยความเป็นภพเป็นชาติมันก็ขาดไปนะเพราะภพชาติก็เกิดจากอุปทานนั่นเองนะเดี๋ยวจะไล่ให้สั้นๆนิดหนึ่งก็แล้วกันว่า รูปนามมันเกิดขึ้นอย่างไรนะอวิชชาเป็นเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปอวิชชาเป็นไปเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารปัจจัยเกิดวิญญาณวิญญาณปัจจัยเกิดนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยให้เกิดสลายยตนะคืออายณะทั้ง6กตาหูจมิลิ้นกายใจสลายยตนะเป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะคือการกระทบผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหา ตัณหายปัจจัยเกิดประทานอัวทานปัจจัยให้เกิดภพเพราะเป็นปัจจัยเกิดชาติชาติปัจจัยให้เกิดชรามรณะโสกกะเปริเทวทุกขทมนาสุปายาสาปิตามยาวเหยียดนะอันนี้ว่าตามประจิตจะสุปปาฏเพราะฉะนั้นเมื่อเราตัดอุปทานได้แล้วเนี่ยภพชาติชรามรณะโศกกะเปริอเทวทุกขทมนาสุปายาก็ขาดไปด้วยเพราะฉะนั้นความเป็นภพเป็นชาติที่เราต้องไปเกิดใหม่ในตาเอกภก็เลยจบไป นะตรงที่เราสามารถตัดอุปทานในเด็ดขาดนั่นเองว่าเออมันก็จบในแค่นั้นนะไม่ตัวไม่ตนของเรามันก็拉คลายความยึดติดเมื่อ拉คลายความยึดติดแล้วเนี่ยภพชาติก็ดัด บ, ดบตามไม่หมดเลยนะตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ว่าเราต้องมาถึงตรงนี้ให้ได้นะเราต้องไม่ไม่เกิดในภพชาติต่างๆแม้แต่เป็นเทวดาเป็นโพรหมมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนะหมดหมดบุญแล้วก็ลงลงมาเกิดใหม่นะเพราะนั้นในโอกาสปีใหม่ของไทยในครั้งนี้นะ ก็ขอน้อมคุณพระตาไตรนะมาวยพรให้พวกเราทุกทุกท่านทุกทุกรูปทุกนามประสบแต่ความสุขความเจริญทั้งในทางโลกและทางธรรมขอให้ปฏิบัติให้ถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปับันนี้ทุกท่านเทอญทำใน